สักวันหนึ่งมันก็จะต้องให้ผลซึ่งถ้าเป็นวิบากของกุศลก็ให้ผลในทางดีถ้าเป็นวิบากของอกุศลก็ให้ผลในทางไม่ดีอันหนึ่งเรื่องของชีวิตในเมื่อพิจารณากันให้ลึกซึ้งถึงที่สุดแล้วก็จะพบว่าทุกอย่างเกิดมาจากใจซึ่งคําว่าใจในที่นี้หมายถึงจิตไร้สำนึก ซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่าผวังขจิตะวังขจิ ต, จตก็คือจิตที่เป็นวิบากลุ่นล้วนผวังขจิตเป็นผลที่เกิดจากการกระทำต่างๆผวังขจิตเปรียบเหมือนเมล็ดผลไม้ถ้าเมล็ดยังอยู่ก็หมายถึงต้นยังอยู่หรือหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีมาแล้วเคยเป็นมาแล้ว จะต้องมีอีกเป็นอีกคนเราเมื่อตายก็ตายแต่ร่างกายเท่านั้นส่วนวิญญาณยังอยู่แล้ววิญญาณที่ว่านี้ก็คือตัวพวังขจิตหรือเรียกว่าพวังขจิตวิญญาณก็ได้ร่างกายสลายตัวได้แตกดับได้ง่ายแต่พวังขวิญญาณหรือจิตไร้สานึกนั้น